คือพอเรารู้เนี่ยเราจะเห็นพฤติกรรมของจิตนะสีแรกเราเห็นแต่ว่ามันมีอารมณ์ยังไงอารมณ์นี้หมายถึงอารมณ์แบบชาวบ้านนะภาษาชาวบ้านหมายถึงว่าเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายต่อมาเราจะพบว่าไม่ใช่มีแค่นั้นในจิตใจเราอะจิตเองยังมีการทํางานเดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจไปทํางานนะต่อมาเราก็ดูไปเรื่อยเลยนะเราก็จะพบอริยสัจ เราจะเห็นอริยสัจคือเราจะรู้ว่าลำพังอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยจิตใจไม่ทุกข์หรอกแต่ถ้าจิตไหลเข้าไปเกาะเมื่อไหร่นะจิตเกิดการทํางานทางใจขึ้นเมื่อไหร่นะความทุกข์ถึงจะเกิดความทุกข์ทางใจจะเกิดือคือจิตเนี่ยเวลาสังเกตไหมมันมันแอ บ, บทํางานนะตอนที่มันแอ บ, บทํางานเนี่ยสังเกตไหมมันสร้างภาลาระขึ้นมามันมีความทุกข์เกิดขึ้นมา การทํางานของจิตนั่นแหะภาษาแขกเขาเรียกว่าพบเรียกว่ากรรมมาพบที่เราว่าตัณหาเป็นผู้สร้างพบจิตมันมีความทยานอยากคือมีตัณหาขึ้นมาแล้วก็ออกไปทํางานไปนสร้างพบการที่จิตต้องไปทํางานนั่นแหละจิตมันก็ทุกข์นั่นแหละตัวมันเองก็ทุกข์แล้วนะตั้งแต่เริ่มต้นคือไปเริ่มทํางานเนี่ยหาความสงบสุขไม่ได้แล้วพอทํางานแล้วไปอยากไปยึดอะไรเนี่ยแล้วมันไม่สมอยากหรือลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ทุกข์หนักเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง นั้นได้มาแล้วไม่เหมือนที่อยากหรือไม่ได้อย่างที่อยากก็ทุกข์เข้าไปอีกแม้ทุกข์หลายระดับนะเพราะงั้นตัวตัวมันเองที่ต้องวิ่งทํางานนี้ก็เป็นตัวทุกข์ตัวหนึ่งนะพอมันทํางานไปแล้วไม่ได้ผลงานอย่างที่อยากก็ทุกข์อีกนะมีทุกข์หลายชั้นมากเกินนะี่สติปัญญาอย่างนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าอ้อจิตมีตัณหาเนี่ยจิตจะทุกขนะ์จะเห็นแล้วเห็นตัวสมุทยัยนี่เรียนได้แค่ตัวสมุทยัยยังไม่เรียนถึงตัวทุกข์นะ ตัวสมุทัยก็คือการที่จิตเนี่มันมีปัญหาปัญหาเกิดก็ผลักดันให้จิตแสบสายดิ้นรนการแสบสายก็เป็นทุกข์ตัวหนึ่งแล้วใชมไหมจิตต้องทํางานกับจิตว่างงานจิตว่างงานมันสบายกว่าทํางานแล้วได้ผลงานไม่ถูกใจทุกข์อีกนี้ถ้าดูจิตต่อไปอีกดูไปเรื่อยๆคราวนี้จะเห็นตัวทุกข์แล้วตัวจิตเองนั่นแหละตัวทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเลงว่า ตัวทุกข์ก็คืออะไรคืออุปทานขันคือขันห้านั่นแหละตัวทุกข์จิตก็คืออุปทานขันตัวหนึ่งดูไปดูไปโอ้การที่มีจิตอยู่เนี่ยมีภาระเพราะว่าจิตเป็นของบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้เดี๋ยวก็ปรุงโน้นเดี๋ยวก็ปรุงนี้เดี๋ยววิ่งไปเดี๋ยววิ่งมาโอ้ยห้ามไม่ได้ตัวมันเองอ่ตัวมันเองนั่นแหละตัวทุกข์เพราะมันเป็นไตรักบังคับมันไม่ได้มันทุกข์พอเห็นว่าโอ้จิตเป็นตัวทุกข์เนี่ยจิตก็คลายความยึดถือจิต อันเนี้ยก็จะหลุดพ้นนิพพานอย่างนี้ก็คือสิ้นขันปล่อยวางขันมันมีสองอันนะอันหนึ่งอะละตัญหาดับตัญหาใช่ก็พ้นทุกไประดับหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งอะเห็นในตัวขันนั่นแหละตัวทุกถึงไม่มีตัญหาก็ทุกเพราะตัวมันเองนะั่นแหละตัวทุกถ้าปฏิบัติจนเห็นตัวทุกนี่นะ สมูทไทยก็จะเป็นอันทุกละไปเดิมเราคิดว่าจิตนี้ของเราเราจะเอามันให้ดีให้ได้หาความสุขมาป้อนมันให้ได้อย่างเราทุกวันนี้ดินน้นรนหาความสุขมาป้อนให้จิตนะอย่างหารูปสวยๆมาดูพามันไปทัศนาจรใช่ไหมเสียเงินเสียทองเพื่อจะได้สบายใจอุตส่าห์ไปฟังคอนเสิร์ตก็จะให้สบายใจหาของอร่อยกินก็จะให้มันสบายใจเราไม่เคยคิดเลยนะจะให้สบายลิ้นอะจะกินอะ คิดจะให้สบายใจดูสิเอาลิ้นไปทํางานหรือนั่งภาวนาถ้าแคบเป็นแทบตายก็อยากให้จิตมันมีความสุขนะลึกๆแล้วที่ต้องดิ้นรนกระวนกระวายเพราะว่ารักจิตจิตมันของเราเรารากหลักอย่างที่คนที่ว่ายกระดับจิตกาให้สูงขึ้นนี่ก็ไม่ใช่วิธีกายที่ถูกต้องใชไม่ถูกอะนะ ไม่ถูกอะ่ะไม่ต้องไปยกมันคืออย่างนี้อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องละจิตให้รู้จิตก่อนอย่าข้ามขั้นอยู่อยู่ละจิตไม่ได้เหมือนละกายละไม่ได้นะให้รู้ก่อนถ้ารู้แล้วเขาระเองนะห้ามไปละมันนะเคยมีพระมาะบอกว่าผมทำลายผู้รู้ไปแล้วเนะี่ยมาถึงมาเล่าเลยผมทำลายจิตผู้รู้ไปแล้ว บอกนิมนต์นะท่านพูดเหมือนตัณฑ์นาประตูนิมนต์นั่งทํำใจสบายท่านหายใจอย่าหยุดนะหายใจแรงๆนะสติท่านแตกหมดแล้วนะไม่ใช่ทําลายผู้รู้ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้จนสติแตกนะฮะเพราะนั้นอยู่ๆเราอย่าไปทําลายจิตอย่าไปปล่อยวางจิตนะเขาปล่อยเขาเองถือเขาเห็นว่าตัวเขาเนี่ยเป็นของเป็นทุกเอาไม่ได้นะเขาปล่อยเอง มันจะถอดถอนออกมันสลัดออกคำ ว, ว่าสลัดออกเนี่ในแพทย์พิโดมีปฏินิสักะสลัดสลัดจริงๆรนะิงเห็นมเราเห็นเขาเดินมาเราไปดูเขารู้สึกไหมเราลืมความรู้สึกตัวมีกายก็เหมือนไม่มีมีใจก็เหมือนไม่มีลืมกายลืมใจเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาเราลืมกายลืมใจนึกว่าเราขาดความรู้สึกตัวได้ยินเสียง ตั้งใจฟังรู้เรื่องที่ฟังนะฟังไปคิดไปแต่ลืมกายลืมใจของตัวเองรู้สึกไหมอย่างเนี้ยนั่งคิดลืมกายลืมใจนึกออกไหมเนี้ยเนี่ยความเผลอหรือความไม่รู้สึกตัวคืออย่างนี้เมื่อไรไม่รู้สึกตัวไม่มีความรู้สึกตัวเพราะรู้กายรู้ใจไม่ได้เพราะมันลืมกายลืมใจเมื่อรู้กายรู้ใจามา ania, ไม่ได้ทำมิปัสสนาม่ได้มิปัสสนาต้องรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจ รู้แต่ความคิดใช่ั้มรู้เรื่องที่คิดแต่ไม่รู้ตัวเองไม่รู้กายรู้ใจนั้นเราก็ทำมิปัสนาไม่ได้งานชิ้นแรกที่พวกเราต้องเรียนก็คือทายังไงจะรู้สึกตัวหัดรู้จักสภาวะของความรู้สึกตัวให้ได้วิธีจะรู้จักความรู้สึกตัวที่ง่ายง่ายให้เรียนจากความไม่รู้สึกตัวเผลอเป็นยังไงรู้จักไหม เผลอไปดูเนี่ยเราเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาเราลืมตัวเราเองอเนี่ยออเผลอไปล้วนะทันทีที่รู้ว่าเผลอก็จะรู้สึกตัวเนี่ยหนีไปคิดก็ ร, รู้ว่าหนีไปคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่คิดนะรู้ว่ามีการคิดเกิดขึ้นเห็นไหมใจมันสายไปใจมันสายรู้ว่ามันสายไปเนี่ยหัดรู้ตัวสภาวะงี่เราดูตัวจิตไม่ได้ อย่าว่าจะดูจิตเลยดูกายยังไม่ได้เลยเขาลืมตัวเองหมดนึกออกไหมเห็นแต่ความคิดแล้วเห็นแต่ความคิดไม่เห็นจิตเความคิดเลยปิดบังสภาวะนะสมมติบัญญัติปิดบงังปรามัดอุ้ยโครานจิตไม่ใช่ความคิดนะจิตเป็นธรรมชาติที่รู้ลักษณะของจิตก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เรียกว่าจิต เรื่องที่คิดเนี่ยเป็นสมมติบัญญัติงั้นเราไม่ต้องไปดูว่ามันคิดเรื่องอะไรเรารู้ว่ามีอาการตรึกขึ้นมาอาการตรึกขึ้นมามีการตรึกอารมณ์ขึ้นมาการตรึกเนัยนะมีสภาวะแต่เรื่องที่คิดไม่มีสภาวะเรารู้สภาวะที่ว่าเรากำลังคิดอยู่นะเออรู้ว่ากำลังคิดนะดูรู้ว่ากําลังดูไม่ต้องรู้ว่าดูอะไรก็ได้ อย่างเราไปดูเนี่ยเอ๊ผู้หญิ ง, ผ, ผ, ญงผู้ชายเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเนี่ยบัญญัติสมมุติบัญญัติรู้ว่ากําลังดูอยู่ถ้ารู้สึกตัวว่ากําลังดูอยู่สิ่งที่เห็นเนี่ยจะคือรูปแล้วจะเห็นสีจริงๆเราจะเห็นอารมณ์ปรมัต ค, คือสีจริงๆะแต่ว่าเวลาทําวิปัสสนาไม่ต้องไปใส่ใจตรงสเนะีเพราะสีไม่มีกิเลสในขณะที่ตาเห็นรูปเนี่ยไม่มีกุศลอกุศลเป็นวิบากเฉยๆ แต่ว่าพอเห็นแล้วเนี่ยอนุสัยทำงานเกิดชอบเกิดไม่ชอบให้มารู้ทันที่ใจอม้าเคาพูดนบอกว่า น, าน่ า, น า, าอใช่ารู้สึกเฉเว่าเออมีความรู้สึกวาาอ่อรู้สึกที่กลับรู้สึกนะสมมติว่ายุงกัดแล้วมันรู้สึกนั่นแหะของจริงแต่ถ้าเออเนี่ยคันเนี้ยบัญญัติแต่ว่าบัญญัติก็เป็นอ น, นัตตานะ สันห้ามไม่ได้งั้นอย่างมาจีีคิดว่าขันก็อย่าไปห้ามมันมันจะจําจว่าเนี่ยโต๊ะก็อย่าไปห้ามมันรู้จักดรอว์ดูดไหมดูดบูทีชอนเคยไปฝึกพ่ลึกมากเลยเห็นโต๊ะเรียกเก้าอี้เห็นนะถ้วย <laughs> เรียกตะเกียบให้ <laughs> สุอสัญญาวิปลาสเนี่ยเราชอบฝึกอะไรตามใจชอบแทนที่เราจะฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร ไม่ใช่นะคือทำเอกหรือสัมมาสมาธิเนี่ยมันเกิดได้สองแบบก่อนจะทำํำวิปัสสนาเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นมีความตั้งมั่นของจิตเนี่ยเกิดได้สองวิธีวิธีหนึ่งทําสมถะเรียกว่าเป็นวิธีของสมถะญาณิกทําสมถะไปจนกระทั่งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วก็จับเอาจิตได้สามารถจะเห็นเลยอารมณ์เนี่ยผ่านมาแล้วผ่านไปในจิตนี้ตั้งเป็นคนดูอยู่ อ น, นี้เป็นแนวหนึ่งเล้ว แ, แนวนี้มีข้อดีก็คือมันจะตั้งได้นานแต่ข้อเสียก็คือจะไปหลงผิดว่าจิตเทียมจะต้องไปละความเห็นผิดตัวนี้อีกทีหนึ่งหรือเป็นละความยึดถือจิตอีกทีหนึ่งซึ่งละยากอีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีของวิปัสสนาอย่างนี้เราใช้สติเนี่ยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นเพราะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองแต่ตั้งชั่วขณะเรียกคณิกาสมาธิอย่างวิปัสสนาเราใช้ตรงนี้ เนี่ยขณะดนี้จิตไม่ตั้งมั่นทราบไหมจิตไหลไปอยู่ในโลกของความคิดลองรู้ทันสิว่าจิตไหลไปในความคิดะจิตจะตั้งมั่นเองเลยแล้วจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเลยความรู้สึกตัวยจะเกิดขึ้นมาเลยถ้าเมื่อไหรจิตตั้งมั่นขึ้นมาอยู่กับเนื้อกับตัวจิตก็รู้เนื้อรู้ตัวเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วรู้ไ้มรู้แต่เรื่องที่คิดเนี่ยความรู้สึกตัวอยู่ตรงนี้เนี่ยความรู้สึกตัวดับไปแล้วรู้ไหม ว่าอะไรถึงดับเพราะลงไปคิดอีกแล้วมาจากไหนกันทีมนี้ไม่เคยเห็นและใครแนะนำให้มาเนี้ยผู้หวังดีรู้สึกว่าทำงานคล้ายๆหน่วยข่าวถามว่าแหล่งข่าวใครๆน่าจะต้องปกปิด <c oughs> ก็แหล่งข่าวก็กลัวสวนมากเขาบอกอย่าไปบอกนะหลวงพ่อเพิ่งบวชได้สามพรรษายอยากอยู่เงียบๆ <c oughs> ทำเนียมพระป่านะว่าพระป่าเหมือนกับไก่ป่าไก่ป่านี่ถ้าพ่อแม่มันยังอยู่นะมันไม่ขันทับที่ น, นะยุกนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ยังมี มาชอบมาเรียนธรรมะ ก, กับลูกไก่ไมมเป็นไงเหรอแ ล, แ, ลแล้วตอนนี้รู้หรืเอเผลอรู้ตัวนี้ไม่ใช่รู้จริงนะรู้ตัวนี้เป็นรู้ทำขึ้นมารู้สึกไหมคือจิตที่ดีที่สุดเลยนะจิตที่วิเศษที่สุดเลยนะ พิจิตธรรมดานั่นแหะจิตของมนุษย์ปกติที่สุดเลยแต่จิตของเรานี่เป็นจิตป่วยไข้กิเลสมันแทรกด้วยเพราะงั้นเราไม่ใช่เราไปทําอะไรขึ้นมานะจิตที่ไปทําขึ้นมาเป็นจิตที่ไม่ดีเลยจิตที่เจอด้วยตัณหาจิตที่วิเศษที่สุดเลยคือจิตธรรมดาธรรมดาจิตตอนที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานจิตขณะนั้นจะไม่มีกิเลสหรอก ถล่มลงไปไม่ได้นะหลงเนี่ยมีพิคิดต่ออีกเห็นไหมไม่ยอมรู้การรู้นี่เป็นอะไรอย่างหนึ่งที่เราไม่ค่อยยอมทำหรอกถ้าทำก็ทำได้แต่เราไม่ชอบเพราะเราทนไม่ได้นะเรากลัวโง่บงทีกลัวโง่งต้องขอคิดส้หน่อยหนะ่อยจะได้รู้เรื่องเราไปเคยชินกับการหาความรู้ด้วยการคิด เราไม่เคยชินกับการหาความรู้ด้วยการเข้าไปประจักกับสภาวะจิตแอบดูเข้าไปข้างในดูออกไหมจิตส่งเข้าข้างในรู้ว่าส่งเข้าข้างในอันทีที่รู้ว่าส่งเข้าข้างในก็จะเลิกส่งย่รู้สึกตัวขึ้นมางั้นถ้าเมื่อไรเราสามารถรู้สภาวะธรรมตรงความเป็นจริงนะจิตก็จะตั้งมั่งขึ้นมานี้นสติเกิดขึ้นสติที่ถูกต้องเกิดขึ้นเนี่ย สมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นอริยมรรคมรรคมีโอแปดยังไม่ใช่อริยมรรคมรรคมีโงแปดก็จะเกิดขึ้นเกิดพร้อมๆกันเมื่อโยมาไม่ทันไม่เช้ามีธรรมะดีๆธรรมะหายไปซะแล้วเออถล่มนะแล้วมันเหมือนกับเรารู้ว่าเรา เยังรู้ไม่จริงอคื อ, คอต้องเฉลียวใจนิดเดียวรู้ว่ากําลังถลําอยู่นะแล้วอยากเติมอะไรลงไปในการรู้ของเราอย่าอยากหลุดออกมานะถ้าอยากหลุดออกมาไม่มีวันหลุดเลยยิ่งถลําใหญ่ยิ่งดิน้นหาทางดิ้นเนี๋ยดินคุกคลักคลุกคลางว่าทําไงจะรู้สึกตัวงั้นถล่ารู้ว่าถลําเพ่งรู้ว่าเพ่งคิดรู้ว่าคิด อยู่ในเขียนไว้ในวิถีแห่งความรู้แจ้งข้อหกจุดสองรู้ลูกเดียวนะอย่าเอาความคิดมาใส่ความคิดน้าปิดบังสภาวะแมห่หนาวน้าดูเลยโยหนาวสิบสี่สิบสีกสาตอนนี้เมื่อกี้ตอนเข้ามาาลาดมันสิบห้าวันนี้แดดมันออกองสูงขึ้นนิด พอได้ออกลงมันมามันยิ่งเด่นนะจิตหนีไปแล้วนะไม่ทําอะไรอย่ารักษานะอย่าไปตั้งใจรักษามันคือเราจะฝึกไปจนจิตว่างนานเะนั้นะจิตแอ บ, บทํางานเนี่ยรู้ทันมันนะการที่คอยรักษาอะไรต่ออะไรรักษาความรู้สึกตัวประคับประคองเป็นการแอ บ, บทํางานตั้งให้รู้ทันการทํางานแล้วฝึกทันความปรุงแต่ง จิตก็จะเลิกปรุงแต่งเมื่จิตเลิกปรุงแต่งจิตก็ไม่ถูกความปรุงแต่งหอหุ้มไหมจิตก็หลุดออกมาเราหัดบ่อยๆหัดบ่อยๆเพราะว่าเราไม่สามารถตั้งตัวรู้ให้ต่อเนื่องได้เพราะว่าตัวรู้เองก็เกิดดับรู้วับดับวับดับวับดับ แต่พอดับแนละ้วตัวใหม่ที่เกิดนี่มันจะเป็นตัวรู้หรือตัวหลงมันยังไม่แน่นี่เราก็หัดให้ตัวรู้มันเกิดบ่อยอย่าให้ตัวหลงมันเกิดบ่อยตัวไหนจะเกิดบ่อยเนี่ยเกิดจากความเคยชินความหลงเนี่ยเราเคยหลงเรามีอนุสัยที่จะหลงเราก็จะหลงบ่อยแต่ถ้าเรามาหัดตามรู้สภาวะไป สุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นนะยืนเดินนั่งนอนเกิดขึ้นค่อยหัดรู้สภาวะไปสภาวะอันใดที่จิตรู้จักแล้วเนี่ยพอสภาวะ น, นั้นปรากฏนะสติจะเกิดเองสตินี้เป็นของที่ห้ามไปทําขึ้นมาสัมมาส ม, มาธิก็ทําขึ้นมาไม่ได้ไม่เหมือนมิจฉาส ม, มาธิน่าทาได้ ภาวนาแปลว่าอะไรล่ะโอ้อันนั้นเรียกบริกรรมนะภาวนาแปลว่าการเจริญกาเจริญสติหนะลวลปูม่ม่นสอนเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียรมีการปฏิบัติมีการภาวนา ไ, ได้ขาดสติเมื่อนั้นไม่ได้ภาวนาลนะเราพุทโธนะเพื่อจะมาหาู้สภาวะพุทโธเรามันทําไปด้วยสองวัตถุประสงค์ สมถะอื่นๆก็เหมือนกันมันทาได้สองวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ที่หนึ่งเพื่อจะพักผ่อนเนี่อจิตของเรานี้ชอบหนีเที่ยวเดี๋ยวหนีไปโน้นเดี๋ยวหนีไปนี้รู้สึกไหมนั่งอยู่เนี่ยจิตหนีไปเรื่อยๆหนีไปคิดนั่นแหละตัวดีเลยนะจิตกับอารมณ์โน้นทีจับอารมณ์นี้ทีจิตก็ฟุ้งซ่านไม่มีความสุขวิธีทําสมถะก็คือให้จิตไปรู้อารมณ์มันเดียว ง่ายๆรู้พุโทโธก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้แล้วนะรู้ท้องผองยุบรู้ยกเทา้ายั่งเท้าอะไรก็ได้ให้รู้อันเดียวจะมีเคล็ดลับว่าต้องรู้สบายๆบายอย่าอยากสงบนะต้องสบายนะอย่าตั้งใจให้สงบถ้าไม่ตั้งใจทำเล่นๆเดีเ๋ยวก็สงบได้พักผ่อนนี่บางคนถามว่าถ้าสงบแล้วจะเกิดปัญญาไหมไม่เกิดหรอกคนละเรื่องกัน มันถามว่านอนเยอะๆแล้วจะรวยไหมคนละเรื่องกันไปทำสมาบัตินั่งไปเจ็ดวันไม่กินข้าวถามจะเกิดปัญญาไหมไม่เกิดคนละเรื่องกันได้อย่างมากก็ได้ผกผ่นนี่สมถะอีกแบบหนึง่งนยเราใช้สมถะใช้อารมณ์อันเดียวเนี่ยมาเป็นเหยื่อล่อจิตเช่นเราพุทธโธพุทธโธไปพุทธโธเราสังเกตจิต พรูบาอาจารย์มางองศ์สอนชัดอย่างหลวงปู่บุญจันทร์สอนพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจไม่ใช่พุทโธทำไรนะบอกว่าถุประสงค์ด้วยพุทโธนี่เป็นสิ่งที่ใจเราไปรู้เข้าพุทโธไปแล้วเพื่อจะมารู้ใจของเราเช่นเราพุทโธพุทโธอยู่จิตหนีวิเที่ยวรู้ว่าหนีวิเที่ยวพุทโธพุทโธจิตสงบรู้ว่าสงบพุทโธไปจิตมีความสุขรู้ว่าสุขวันนี้พุทโธพุทโธฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่าน พุโทโธเราทุกข์รู้ว่าทุกข์เราพุโทโธเพื่อหัดสังเกตตัวสภาวะนี่พอเราสังเกตสภาวะเราจิตใจเราจําสภาวะได้แม่นเช่นเราจําได้ว่าเผลอเป็นอย่างนี้จิตมันเผลออย่างเนี้ยแวบเมื่อกี้เนี้นี่มันเผลอไปแต่มาสติมันจะเกิดเองพอมันไหลแวบไปนี่สติจะเกิดเองสติเกิดปั๊บสัมมาสังขีก็เกิดขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา เมื่อจิตตั้งมั่นขึ้นมาเราก็จะเห็นจิตเมื่อกี้เผลอจิตดวงนี้ไม่เผลอจิตที่เผลอเกิดแล้วดับจิตที่รู้ขึ้นมาแทนจิตที่รู้นี้ก็ดับอีก้กลายเป็นจิตที่เผลอใหม่เผลอใหม่เห็นไหมมีแต่เกิดกับดับเออเป็นการเพ่ง แต่ใหม่ๆเ็าคงได้แค่นั้นถ้าชำนาญขึ้นจริงๆดูปป๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่าจิตไม่ได้โกรธนะความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามา